ของจิตจิตนี้เราต้องประคองเอาจิตนี้แหละประคองจิตประคองให้ตื่นรู้เกี่กับอารมณ์หนึ่งเดียวนะ่ะ มันชัดที่สุดเนี่ยมันจางนจางจางจา ง, จางเดี๋ยวหายไปแล้วจางจางจางเดี๋ยวหายไปแล้วอารมณ์เริ่มจางอารมณ์เริ่มจะหายธรรมะที่เรามาเป็นอารมณ์เริ่มจะหายค อ, อปลุกอยู่ห้ตื่นตื่นแต่ลกขณะแต่ลกษณะแต่ลักษณะนเนี่ยนี่คือการ การสร้างพื้นฐานให้กับจิตของเราจิตของเราจะรวมพลังจะแข็งแรงจะมั่นคงในนี้ก็จะมีความสุขจะมีความสงบมีความเบาสวา่างปลอดโปรง่งอิ่มเบ อ, อมีที่หวังมีที่พึ่งเกิดความรู้สึกว่ะได้บุญนี่แหละคือบุญ บุเกิดขึ้นจากจิตของเราสงบจิตสงบเพราะเราสติมากำกับกำกับจิตของเราเอาบทธรรมะมากำกับจิตของเรามีแต่อารมณ์ธรรมะตื่นโรูตันหาแทรกไม่ได้ตาน่ามันจะแทรกเข้ามาไม่ได้หากมันจะแทรกได้ถึว่ามันย่อนความรู้สึกมันย่อนความรู้สึกมัน อ, อ่อน ความรู้สึกอ่อนสติอ่อนปัญญาอ่อนความรู้สึกอ่อนความประกอบประคองอ่อนต้นหามกระแทกแทกบางทีก็มืดมืดหายไปเลยบางทีมันพาไปปรุงไปอะไรอะไรตามใจเพรามันดูสังเกตให้ดีมันพุกพโผล่พุกๆโผล่ลลลลเอาให้แน่า ทำบ่อยครั้งคมันก็จะเชื่อมก็จะชินนี่คือคือสร้างพื้นสร้างฐานให้กับจิตของเราควรนจะฉลาดให้จิตมันสอบซะก่อนจิตสงบคือคือจิตมันรวมพลังจิตมันมีพลังจะได้เราก็ยจยเจาไล่พิจารณาไป ค่อยดักอารมณ์คอยสังเกตสังกาคอยจดจ่ออารมณ์ทางมันปวดเราจ่อไปที่ปวดเอาผู้รู้ของเรานจอ่อเข้าไปจ่อไปที่ความรู้สึกว่าปวดจิตของเราต่างหากจิตของเราไปรับรู้ว่าเจ็บว่าปวดต่างหากเอาเนะจตนาจ่อลงไปที่ผู้ปวดนั่นแหละจ่อไปที่ปวดเราย้อนมาดูจิต จ่อมาที่กี่่ย้อนไปดูปวดจ่อไปที่ปวดดูกายตรงที่มันปวดน่ะกายมันทุกไหมกายมันปวดไหมอะไรปวดเวทนามันทุกไหมเวทนามันปวดไหมอะไรปวดย้อนมาดูที่ใจใจปวดไหมดูให้ชัดใจจะไม่ปวดใจไม่ปวดนะ ใจสักวารู้เราพยายามจับเอาภาวะความรู้ความตื่นอันนี้แหล ะ, ะจนมันจำนานจนมันตื่นเองรู้เองเห็นเองมีพลังมีกำลังตั้งใจบริกรรมหรือไม่ตั้งใจบริกรรมคิดมันก็อยู่คือผู้รู้รู้อยู่กับธรรมชาติ ธรรมชาติกายรู้<ม>อยู่เฉพาะจิตธรรมชาติใจธรรมชาติจิตจิตก็คือผู้รู้นั่นแหละเอาผู้รู้จอไปที่ผู้รู้มันจอได้ไหมลองจ่อลองดูที่จอพระคืออะไรเป็นอะไรเกิด อ, อะไรจอให้มันเห็นลองดเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวสว่างโรงมี อัตตาไหมมีตัวมีตนไหมมีทุกข์ไหมอย่างอื่นเป็นเครื่องไปสัมผัสสัมผัสเท่านั้นเองแต่ด้วยเหตุที่เราหลงกลอบายของมันเราก็ยึดเอ า, าเราเนี่ยแหละไปรู้เราเนี่แหละไปเห็นเราเนี่ยแหละสุขเราเนี่แหล ะ, หละทุกข์เอาเรานี่แหละไปเป็นภาชนะจับมาใส่มัดเอาอแล้วก็ เอาทุกมาทับหัวใจของเราเองสุขก็ตามเธอสุขเขเวทนานสุขเขเวทนาก็คือทุกทุกเขเวทนาก็คือทุกสุขเขเวทนาก็คือทุกไม่สุขไม่ทุกอตุคมาสุขอันนี้ก็คือทุกทุกภาวะทุกของอะไรของขันทุกขันทุกขขันทุกขขันขันทุกเพราะว่าเพรามัน แต่ขันทแท้ๆมันไม่ทุกนะใจของเราไปยึดขันนั่นแหะใจมันทุกยึดไม่ได้อย่างใจยึดไม่ได้อย่างใจใจมันทุกไม่ใช่ขันทุกนะขันก็คือขันเวทนาก็คือเวทนาเวทนาก็คือสุขคเวทนาทุกคเวทนาหามันอยู่เฉพาะมัน จอจิตเข้าไปจิตก็เฉพาะจิตทุกเขเวธนาโดเฉพาะทุกสัจจะแต่และอย่างต่างอันต่างจริงต่างอันต่างจริงดูให้เห็นเองดูให้เป็นเองมันเป็นเองทําถึงที่แล้วมันเป็นเองพามันเป็นเองโดยอัตโนมัติถ้าเราทําถึงที่ หามันดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไ ป, ด, นไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมาแล้วก็รูแล้วก็ทำแล้วกเจา อ, อ ย, ย่างนี้ก็งานที่เราทํางานที่เรากําลังทํามันยังไม่ให้ผลก็เริ่มให้ผลไปเรื่อยเริ่มของผลไปเรื่อยเริ่มรู้เริ่มเข้าใจไปเรื่อยเริ่มรู้เรื่องกข้าใ่ไปเรื่อยนี่คือธรรมะในภายในเราหมุนมาตรง น, นี้หมุนมาท่ามกลางของอริยสัจสี่ ทุกสมุทัยเนี่ยทุกสมุทัยเนี่ยเวทนาจอไปจอมาเวทนาก็คือตัวทุกดูทุกแล้วก็ย้อนมาดูสมุทัยสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกก็คือความยึดของใจเลยแหละใจไปเห็นเวทนาใจก็ยึดใจยึดก็คือตัณหามันครอบใจแล้วอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาไหนจุดเมื่อเราเจ็บเราปวด โอ้ทนไม่ไหวแล้วเอวจะหกักเอวจะขาดหัวเขาจะคาแล้วทนไม่ไหวแล้วหรือบันลังแน่แพ้มาหนีแล้วสัตย์จะทำปรากฏเฉพาะหน้าให้เราพิจารณาที่เราไม่พิจารณาเราพิจารณาไม่ได้ความรู้เราไม่เท่าความรู้เราไม่ทันรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันรู้ไม่เท่าตันหา รู้ไม่ทันกันหามันพาเรายึดไนปะถ้าเรารู้ทันมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ท่านที่ให้ปลกผู้รู้ผู้สว่างให้ตื่นโโร่อยู่มันแทรกเข้ามาไม่ได้ในเมื่อมันแทรกเข้ามาไม่ได้อัตตาโผล่ไม่ได้ตัวตนโผล่ไม่ได้มันไม่มีผู้มายึดคืออะไรมายึดธรรมชาติผู้รู้คือธรรมชาติสิ่งที่ถูกรู้คือธรรมชาติภาวะอันนี้ปริจัก ผู้ที่เห็นก็คืออะไรคือสติธรรมคือปัญญาธรรมอุบายวิธีของผู้รู้อุบายวิธีของใจอุบายวิธีของปัญญาความทุกข์ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดเพราะตัณหาไม่เกิดภพไม่เกิดเพราะอุปาทานไม่เกิดอุปาทานคือการยึดการถือถือเอามาเก็บ ถือเอามาสําคัญมันหมายไม้เอาดูไปแล้วก็เหมือนเป็นภายชนะอย่างหนึ่งสระรับเอาถือเอาเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเอาเรอเข้าไปใส่เข้าไปแล้วนะเราดูเราดูความมืดของเราตรงนี้นะเราดูเราดูได้ยากดูยากพยายามสังเกตสังกาดูแต่ตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่เราพยายามแปลงให้เห็นข้อเท็จจริงของมัน ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราจะแปลให้เห็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคืออะไรเป็นอะไรให้เราเข้าใจตรงนี้ชะล้างจนได้ชะล้างจนจนเพียงพอจนเกิดเองจนได้ประสบผลเองเห็นความอัศจรรย์เองมันากแวบเบข้ามาเห็นความอัศจรรย์ในหัวใจของเราเองเราได้กําลังใจแวบบเท่ากับฟ้าแบลบนะั่นแหละได้กําลังใจตื่น จิตของเราตื่นเมื่อก่อนนั้นจิตมันไม่ตื่นหลงไปกับตัณหาแมันแทรกเข้ามาหลงเคลิ้มหลงเพลินไปเลยไม่ทันมันรู้ไม่เท่ามันรู้ไม่ทันมันรู้เท่ารู้ทันท่านบอกรู้เท่ารู้ทันเท่ากับว่ามันกันในตัวมันแก้ในตัวรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ แก้อะไแก้ตัณหาแก้ อ, อกปุปาทานแก่กิริยาที่มันไา ย, ยึดพาก่อนยึดอะไรกับทุกข์อันนั้นยึดอะไรกับทุกข์อันนั้นไม่มีผู้ยึดอไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีพาชนะรับทุกข์อัตตานะมันเป็นตัวพาชนะทำตัวเหมือนพาชนะรับก่องทุกขนะ์เอาอัตตาไปรองรับไปหมายเอาว่าเป็นเราไปรองรับเอาทุกข์ ทุบมากระทับถงที่ใจเกิดขึ้นในแง่มุมในฉากเดียวกันในฉากเดียวกันสติปัญญากับความไม่ฉลาดกับความโง่มันเกิดขึ้นในฉากเดียวกันแพรบเดียวจอแพรบเดียวไม่ยู่ในฉากเดียวกันความไม่ทันความไม่รู้ความไม่เข้าใจพยายามทำให้ให้ทันตรงนี้ ให้ชัดเจนตรงนี้ให้ได้กำลังตรงนี้นจะสงบงี่ยไปเลยก็ตามสงบโรตื่นรุง้งอย่างนั้นนานเท่าไรก็ตามมันเป็นเองหมายหมายหมายหมายเอายึดเอาถือเอาสัดสำคัญมัน่นหมายเอาหมายมันเกิดขึ้นมาในหัวใจของเราก็ให้ทันถ้าไม่ทันก็โดนมันหล่อ โดนความหมายหมายคือคืออะไรคือสัญญาสัญญาขตัวหมายตัวเนี้เป็นตัวแปรที่ร้ายกาจถ้าเราไม่ทันมันมันสวมรอยมาแบบไม่มีเงาเงื่อนงามอะไรให้เราเห็นมันดอกตัวหมายตัวสัญญาตัวหมายรู้เนี่ยหมายตัวหมายรู้หมายรู้สัมพันธ์เอายึดเอาถือเอ า, บ, าบังคับเอาเชี่ยวเข็นเอ า, บ, าบังคับเอาตัวสัญญา สัญญาถ้าเราทันสัญญากรสักถ้ว่าเป็นเครื่องมือถ้าเราทันมันนะสัญญาโอ้สัญญาตัวสัญญาแน่มันตื่นนะมันตื่นตัวมันตื่นตัวมันรู้ตัวมันทันสัญญาสังขารเราเห็นมันปรุงยิบยับยิบยับยิบยบสังขารสังขารจิตนะวิญญาณวิญญาณก็คือในขณะที่เรานั่งหลับตาทํางานก็มโนปิญญามโนปิญญา มโนวิญญาณนัคืออารมณ์ที่ไปโปล่ขึ้นในจิตของเรานั่นแหละคือมโนวิญญาณอะไรไปโปลรู้อะไรไปโปลก็รู้อะไรไปโปลก็รู้มันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงมันขยับหน้าขยับหลังมันมีเงื่อนมีงามมีสว่างมีมืดมีอะไรเราก็เห็นเห็นมันเปลี่ยนแปลงของมันวิญญาณวิญญาณนักขัวิญญาณนักขันวิญญาณนักขันหามันเย็บดับเย็บดับเย็บดับนลงตาท่านว่าเย็บดับเย็บดับ วิญญาณคือรู้แจ้งอารมณ์มันเกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาที่หัวใจของเรามันมันเด่นโโรมาแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะมันรู <everyday> ้แจ้งขณะนั้นแล้วมันก็ดับรู้แจ้งขณะนั้นแล้วมันก็ดับรู้แจ้งขณะนั้นแล้วมันก็ดับสัญญาแล้ว่ารู้แจ้งตารู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางหูรู้แจ้งทางจมูกรู้แจ้งว่ารูปธรรมกันนามธรรมมันไปไปสัมผัสสัมพันธ์กัน S <S สัมผัสผัมพันธ์กันแล้วถ้ า, าเราไม่รู้แจ้งตามมันนะตัณหามันตามมาความยินดีตามมาความยินร้ายตามมาความยินดีก็ยึดความยินร้ายก็ผลักความ <qu oise> ยินดีก็ยึดยึดไม่ได้อย่างใจกระทุก <qu oise> ความยินร้ายก็ผลักผลักไม่ได้อย่างใจกระทุก อย่าลืมว่าความยินดีกับความพินร้ายเนะี่ยเป็นตัวเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนามันเป็นการแปลผิดตามนิสัยสันดานของกิเลสในหัวใจของเราที่มันแปลให้เราผิดผิดเนี่ยมันแปลให้เราผิดให้เราเข้าใจผิดให้เราสัำคัญมั่นหมายผิดตัวสัญญาตัวนี้สําคัญที่สุดตัวสัญญามันแปลระหว่างความรู้สึกความยินดีความยามินร้ายที่ทเรียกว่าเวทนาเวทนา เพราะนวเวทนาตรงนี้จึงสําคัญมากถ้าเราพยายามตั้งประตูอยู่ตรงที่เวทนาตรงนี้มันเป็นศูนย์รวมของธรรมมันเป็นที่เกิดของธรรมมันเป็นที่เกิดของกิเลสมันเป็นที่เกิดของบุญมันเป็นที่เกิดของบาปมันเป็นที่เกิดของปัญญามันเป็นที่เกิดของกิเลสมันเป็นที่เกิดของสุขมันเป็นที่เกิดของทุกข์มันเป็นที่สว่างมันเป็นที่มืดรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเราพยายามดูพอมันแปลผิดปั๊บ เราก็ยึดแหละยินดีแล้วมันแปร่ยิดผิดปั๊บเราก็ยึดแล้วมันยินร้ายแล้วเห็นสักทว่าเห็นความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดนั่นสักทว่าเห็นพระพายะท่านฟังเห็นสักทว่าเห็นฟังสักทว่าฟังยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดพุทธิเาท่านแสดงภายะเธอจงเห็นสักทว่าเห็นได้ยินสักทว่าได้ยินสัมผัสสัมพันธ์ได้สักทว่าสัมผัสสัมพันธ์ ตัณหาไม่เกิดตัณหาดับตาเห็นรูปตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาดับเห็นสักเท่ากับเห็นจริงๆแสดงว่าสติทั้งกล้าปัญญาท่านแข็งพระพายัญพุทิย่แสดงทำจบหนึ่งคาถาไม่เป็นพระอาจานย์พระพายัเห็นสักเท่ากับเห็นจริงๆความยินดีไม่เกิดความิาร้ายไม่เกิดอย่าลืมว่าความยินดีเกิดคือความโลภเกิดความยินร้ายเกิดคือความโกรธเกิดความไม่พอใจ มันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงมันผลิตตรงนี้มีศูนย์การผลิต ข, ของมันีที่ผลิตของมันที่ผลิตสุขที่ผลิดทุกทีก่ผลิตพบที่ผลิตชาติอยู่ตรงนี้เราพยายามจับพยายามสังเกตสังกาดูให้รอบตรงนี้เราจะเข้าใจข้างในใใหัวใจของเราเละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอ่าสิบสี่ทุ่มอีกสองสามนาทีสี่ทุม 2, 3, 4, ท่ม เราก็นั่งมาเป็นเวลานานนะทั้งนั่งทั้งฟังทั้งสวดทั้งภาวนาทั้งหลับทั้งสับประงกทั้งสว่างสวายทั้งตื่นรู้ทั้งหงุดหงิดทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งอะไรต่ออะไรสารพัดเลือกเอาใครได้อะไรเลือกเอาวันนี้เราหมดเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เรามารวมกันเท่าไหร่ที่สีครึ่งทวัดส่วนมนต์พรุ่งนี้ ระยะนี้เราอยู่ในระยะที่เราฝึกฝนอบรมนะการที่เราฝึกฝนอบรมอยู่ในช่วงที่เราฝึกฝนอบรมมันเป็นช่วงที่เราฟิตตัวกันเถอะมันไม่ใช่เป็นช่วงที่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวนอนตามสบายใจฉันไม่ยอมปลุกไม่ยอมตื่นใดเวลางัวเงียนะไอ้ยังไงนะโอ้ยหมูก็ไปถึงไหนแล้วอย่าให้ต้องเป็นเราก็แล้วกันนะเออ ไปปลุกเราด้วยกันแล้วกันนแหละตั <c oughs> ้ง <c oughs> ใจทำเอาทำโอกาสให้กับตัวเองทำกุศลให้กับตัวเองสร้างวาดชนะให้กับตัวเองสร้างความสัมพันธ์ความขยันมั่นเพียรให้กับตัวเองสร้างกรรมดีให้กับตัวเราเองสร้างประโยชน์ให้กับเราเอง ทำตนเองให้เป็นที่พึ่งให้เป็นที่กเกาะอัตตะดีปะอัตตศสรณนาเอาตัวเองเป็นเกาะเอาตัวเองเป็นที่พึ่งเอาอะไรเอาได้มาพึ่งเอาทำเอาทำมาเป็นเกาะเอาทร <dev> มาเป็นที่พึ่งธรรมดีปะธรรมสรณนาเอาทรมาเป็นเกาะเอาทำมาเป็นท<ร>ี่พึ่งธรรมก็คือที่ผู้ได้ฟังนี่แหละ ทำในภายในที่เราภาวะตั้งใจภาวนาทำสติธรรมสัมปชัญญะธรรมปัญญาธรรมพิริยะธรรมรวมแล้วคือสมถะธรรมวิปัสนาธรรมสติปัฏฐานธรรมว่าอะไรถูกหมดคอเราภาวนาและจิตมันตื่นรู้อยู่เนะี่ยว่าอะไรถูกหมดเป็นบุญก้อนใหญ่เป็นอนุสรณ์ชีวิตให้กับชีวิตจิตใจของเรา อ้าอวอ่าวงเพียงเท่านี้นาคำคืนวนนนี้ชิตังเมชิตังเมนะชิ่ตังเมดีใจใครพยายามปลุกตัวให้ตื่นรูอยู่ตลอดได้เปรียบใครระดับตื่นๆงุนงุนอินๆินมีอะไรฟุ้งส่านเต็มไปหมดพยายามไปปรั บ, ไปป ร, บไปปรุงไปแก้ไปไข เราพยายามทำใ ห, ให้ได้รับผลให้มีผลคืบหน้าให้มีผลกล้าวหน้าอ้าเอฟัง